สมัยนั้นแลพราหมณีธะและวัสการะเนี่ยนะเรียกว่าวัาสกา ร, พรา ะ, ะพราหมณีธาพราหมณ์เนี่ยมหาอมาตย์ของแควนมคตกำลังให้สร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาตะลิคามสร้างทำไมบอกว่าเพื่อป้องกันเจ้าวัชีทั้งหลายนะเรียกว่าสร้างเป็นเมืองหน้าด่านเป็นป้อมปราการที่จะป้องกันฆ่าสึกอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าว่าในสมัยนั้นแลเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากจานวนพันพันเนี่ย เข้าไปห่วงแหนพื้นที่ในหมู่บ้านปาตลิคามแปลว่าชั้นแรกก่อนเนี่ยนะเทวดาจับจองที่ก่อนเพราะในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่หวงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศ ท, ทั้งหลายแก่พระราชาและราชอัมมาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่ในภูมิประเทศนั้นนั้นเทวดาเนี่ยเขาก็ดูแลกันตามยศศักย์เหมือนกันนะมนุษย์ผู้มียศใหญ่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 ทีนี้ทายังไงจะปกปักคุ้มครองหวงแหนของของเราให้อยู่ต่อไปได้นานทีนี้พระ อ, ะระอนนท์ก็กราบทูลให้ฟังแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนนท์พรามสุนีธะและวัสการพรามมหาอมาตย์ของแควนมคตให้สร้างเมืองอยู่ในหมู่บ้านปาาตะลิขามเพื่อป้องกันเจ้าวัชีทั้งหลายเหมือนอย่างเท้าส ก, กะทรงปรึกษาหารือกับเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึง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 ในภูมิประเทศนั้นในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นกลางๆพาการห่วงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่พระราชาและราชอามาตย์ทั้งหลายชั้นกลางๆในภูมิประเทศนั้นส่วนในภูมิประเทศใดเทวดาทั้งหลายชั้นต่ําพากันห่วงแหนพื้นที่จิตก็น้อมไปเพื่อให้สร้างนิเวศทั้งหลายแก่พระราชาและราชอามาตย์ทั้งหลายในภูมิประเทศนั้น ดูก่อนอ น, นุนเมืองนี้ยังเป็นที่ชุมนุมของชนอริยะหรือว่าอริยะกะหรือว่าผู้เจริญเนี่ยนะอยู่ตราบใดเมืองนี้ก็ยังเป็นทางผ่านของพ่อค้าอยู่ตราบนั้นหมายคาะว่าถ้าคนที่มีความรู้มีความสามารถมารวมตัวกันเยอะ<ม>ก็ถือว่าเป็นแหล่งค้าขายชั้นดีของพ่อค้าทั้งหลาย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 แต่จริงๆแล้วต่อมาเมืองนี้ก็เป็นเมืองของเมืองป่าตลีบุตรจริงๆตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาลาโศกสมัยพระเจ้าอุเทนโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูตอนหลังที่สุดเมืองนี้รุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้าธรรมาโศกกระรหรือที่เรียกว่าพระเจ้าอาโศกนี่ยนะและในสมัยราชชองคุปปะก็เป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนั้นเมืองปัตตนานีก็ไม่ได้เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเลยมีสนามบินในละแวกนั้นมีสนามบินก่อนเพื่อนเนี่ยนะ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 จุดไฟบูชาพระก็วัดก็มอดไปหลายหลังแล้วละ่ะ น, นะวัดไม่ใช่น้อยเนี่ยนะถูกเผาเพราะจุดเทียนบูชาพระเนี่ยนะก็แม้บูชาทั้งองค์เลยบูชาทั้งหลังนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันอันคนที่จุดทูบจุดเทียนเนี่ยนะต้องมีความระมัด ร, ระวังให้มากๆเลยอันนะั้นบุญพลาไปพบกับบากก็ได้นะั่นนะคือจริงๆแล้วไอ้ตัวบุญก็บุญละ่ะแต่เป็นประโยคนข้าวิบัติอย่างบางแห่งเนี่ยนะหลวงตาบางองค์ก็จุดทูบบูชาพระในห้องในกุฏิ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 เรื่องการจุดโูษจุดเทียนเป็นต้นต้องระมัด ร, ระวังให้ดีสถานที่เขาดีๆอยู่เนี่ยนะเราไปทำจะเสียหมดเลยบอกว่าบูชาเนี่ยนะบูชาหรือทำลายมันต้องคิดให้ดีๆนะนะคนไทยเราเนี่ยชอบไปปิดทองนึกถึงอินเดียคนไทยเราชอบไปปิดทองปิดเสร็จเนี่ยนะแขกมานั่งขัดกันขัดไปด่าไปขัดไปบน่นไปเนี่ยนะไทยนี่สวยสวยปิดทองติดเนียบเหมือนกันนะแขกบน่นอุ้บเลยนะขัดแล้วขัดอีกก็นั่นแหละ อันนี้ก็ต้องคิดดูนะว่าความสวยของอีกคนหนึง่งอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ถือว่าสวยนะความดีของอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดว่าไม่ดีเพรา ะ, ะเราต้องพยายามทบทวนศึกษาตามสถานที่เหมือนกันสําหรับคนที่ไปบูชาตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะหลายๆแห่งเนื่องจากเห็นปัญหาเรื่องไฟไหม้แล้วก็หน้าพระประธานเป็นต้นกจ็จะไม่ค่อยอนุญาตให้จุดทูบจุดเทียนแล้วซึ่งก็เห็นด้วยนะบางทีก็จุดกันเป็นกรรมเลยนะไอสําลักควันกันแขกแๆๆแอย่างนี้นั่นแหละ มันก็ต้องของหอมหรือว่ารมควันก็ไม่ทราบเนี่ยนะคือความหมายของทูปก็คือจุดของหอมนั่นเองเอย้อนกลับมาที่เมืองร เ, อเมืองปาตลีบุตรเนี่ยนะที่มีเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าเล่ากันมาว่าอมาตเหล่านั้นใช้อานุภาพแห่งศิลปะของตนเนี่ยนะ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 วิหารนั้นก็เลยเรียกวิหารของพระหูสูตรอ่างนั้นฉันใดเสียงขจรว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะอาศัยเท้าสักกะอาศัยวิสุกรรมเทพบุตรบัณฑิตก็เลยเรียกว่าฉันนั้นเทวดาผู้ผู้ฉลาดเนี่ยนะ